นมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากชื่อจินตนานะคะปนาสถิตเอออยากให้พระอาจารย์ช่วยเชี้แนะว่าที่ปฏิบัติมานี้ถูกถูกต้องแล้วก็มีแนวทางอะไรที่ให้มันเร็วขึ้นกว่านี้เจ้าค่ะโอ้ดีแล้วจะบอกว่มามัก็ดีแล้วเนี่ยทางก็เห็นชัดเจนดีแล้วก็ปฏิบัติมาก็ดีมากแล้วแต่มันยังไม่ไม่ตอนที่ถ้าแกะตรงนี้ได้ก็ถ้าเห็นตรงนี้ก็จะไปรลดเลย เอาตัวเราไปหาไปเห็นไปค้นไปดิ้นรนไปพยายามให้มันเห็นให้มันเป็นเพราะตัวเราเนี่ยโถมไปทั้งตัวเลยโถไปทั้งกายเลยคือทุ่มไปเลยทั้งตัวคือถล่มก็ไปทั้งตัวไม่มีสติเลยเอาไปดิ้นรนไปค้นไปหาไปพยายามไปจะไปจําแบบว่าอะไรพยายามเขาเรียกอะไรนะจะมีตัวเราไปเอาอะจะไปเอาอะไรจะไปได้อะไรแม้แต่มีตัวจะมีตัวเราไปเอาพระนิพพานมีตัวเราจะไปเอาพระนิพพานเราไม่เห็นเราไม่รู้สัตยาน เราก็หลงพวกสิบแปดมั่งกูดีแกไม่แต่ว่าจะไปเอาทำนะมันก็หลอกเราเราเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปทั้งตัวโดยไม่เห็นเราไม่เห็นว่าตัวเรากำลังถล่มก็ไปทํำนนทํานี่ทํานั่นทํานี่แต่จริงๆไอ้ตัวเราที่ถล่มไปตัวกิเลสอย่งนั้นเนี่มันจะมีตัวเราไปเอาไปเอาได้พฏิพาลไม่ไปเอาความสุขไปปาจฉนาความสุขปัจฉนาความทุกข์ไม่มีเอาเห็นแต่เนี่ยถ้ารู้สัทานเราก็วางลงแค่นั้นแน่ไม่มีอะไรหลับโยมรู้สึกว่าพพตั้งใจปฏิบัติมันมันตั้ง แี่นี้พอถอยออกมาเหมือนไม่ได้ทําอะไรเหมือนเหมือนในชีวิตประจําวันแล้วอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเหมือ น, เ ห, อนเหมือนจะดีกว่าหรือเปล่าคะอันนั้นถูกต้องกว่าหรือเปล่าอย่างไรพูดได้จะชัดเออพอพอเริ่มตั้งใจปฏิบัติมันมันมันเหมือนมีตัวตั้งแต่พอเราถอยถอยมาห่างห่างแล้วก็ทําตามธรรมชาติมันมันรู้สึกว่ามันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วมันความมีตัวตนมันน้อยลงโอ้ยเราเข้าใจคําว่าปฏิบัติผีตัวที เราเข้าใจคําว่าปฏิบัติทิดไอ้ความจริงเนี่ยที่เราบอกว่าเริ่มตั้งใจจะปฏิบัติไอ้นั่นคือตั้งใจจะมีกิเลสเราก็ใจผิดก็จะเวลาตั้งใจจะปฏิบัติพอเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะไปเอาอะไรตอนแรกเมื่ออยู่ดีๆเริ่มตั้งใจปฏิบัติไอ้นั่นตั้งใจปฏิบัติแล้วจะไปเอาอะไรแล้วเอาอะไรอ่ะถามตัวเองสิถามสิจะเอาอะไรจะไปเอานิพพานจะไปเอากิเลสก่อนแล้วนิพพานไม้เป็นหรอเราะนิพพานนคือสิ้นกิเลส มันทำทางตรงกันข้ามแล้วที่บอกว่าเออพอเหมือนไม่ตั้งใจมันเลยเลยปล่อยมาแล้วมันรู้สึกว่าเมันมันเบาสบายมันว่างเปล่าดีเอาไอต้ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นกิเลสอะไรวมาได้ไปกิเลสอะไรเพราะว่าเราก็สังเกตออกว่าเออมันปลอดบายแล้วว่างเปล่าดีแต่ตอนที่เราตั้งใจจะ ไ, ไ, ะไปกิเลสที่เราจะไปเอาคือไปเอาพันธิภัณฑเอ่อนั่นแล้วก็ออกมาปัจจุบัติแต่เราเราก็ออกมาถอยอตัวออกมาคือออกมาเป็นปักติแต่เราปกติแล้วเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจเข้าไปปฏิบัติอะไรมาเป็นปกติเราเลยเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรมือนก็ชีวิตไม่ได้ทําอะไรเราเข้าใจผิดความจริงเนี่ยในใจเรามันพูดไม่ยหยุดแต่ทําไมอ่ะงานมันมีอยู่ตลอดเวลาสติมันทิ้งไม่ได้สติจะเป็นมหาสติไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติอะไรแต่สติมันขาดไม่ได้สติมันต้องมีอยู่คู่ประจำํำพอสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีทำมีไม่ทุกข์ สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระ น, นิพพานเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันพูดกันมาอย่างดีทั้งนั้นเน่ยสติตัวเดียวสติตัวเดียวเฉะนั้นสตินี้มันหายไม่ได้อย่างอื่นหายได้เราเนี่ยที่ตั้งใจปฏิบัติคือไม่มีสติแต่ที่เรารู้ตัวพอตั้งไปตั้งใจปฏิบัติอะไรเนี่ยมันเครียดทุกทีอันนี้คือไอ้ที่เรารู้ตัวว่าตั้งใจปฏิบัติอะไรมันเครียดทุกทีไอ้ตัวนี้คือสติแต่ที่เราเนี่ยตัดตั้งใจมีสติ แล้วก็ลงมือเมื่อไหร่ที่เรารู้ตั้งใจลงมือปฏิบัติให้มีสติอันนั้นเนี่ยคือไม่มีสติแต่ไอ้ที่เรามีสติรู้ตัวว่าไม่มันตั้งพอลงมือตั้งใจปฏิบัติแล้วมันเครียดมันตึงมากเลยอันนั้นน่ยคือตัวสติมันเข้าใจสติต่างตัวการอีตัวเนี่ยวันนี้เราหลงกับงานทั้งวันเลยเราทํางานทั้งวันแต่ตอนที่เราทําทั้งวันแล้วเราไม่รูวนในประตูใจอ่ะเราขาดรู้ประตูใจว่ามันคิด ติดตองอะไรมันาพาดอยู่ตลอดเวลาเราไม่คอยรู้ตัวสะเก็ดไม่มีสติรู้ไอ้ตัวติแปดมงกุ์คือตัวจิตใจที่มันคิดติกตองมันาพาดอยู่ในใจตลอดเวลาเราไม่มีไม่มีสติรู้มันไว้นะมันหลอกต้มเราหมดเลยไอ้ตัวนี้อติแปดมงกร์คือเราต้องอยู่มันตลอดชีวิตจีกว่าเราจะตายพอตายแล้วไอ้ตัวติแปดมงกุ์ก็ดับแต่ไอเป็นผู้รู้ที่ไม่หลบไป่กลับมันเนี่ยไม่ดับเป็นอมาตะเพราะฉะนั้น แม้แต่เราทํางานในชีวิตประจําวันเราก็ต้องมีสติเนี่ยรู้จิตใจเราประตูใจเี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลานี่นคือสติแต่ถ้าเราบอกว่าทํางานทั้งวันเลยวันนี้ไม่มีสติเลยอะพอเริ่มจะมีสติอ่ะไม่ใช่เป็นสติที่รู้ที่ใจดูที่ใจโดยธรรมชาติเรามีสติอะไรก็ไม่รู้เน่ะมึนหัวทึบตื้อเริ่มเริ่มตระแต่คิดจะมีสติไปทําอะไรก็ไม่รู้อันนั้นไม่มีสติแต่พอมีสติขึ้นมา ทำไมลงมือแล้วมันบุนแบบนี้นะลงมือจะปฏิบัติะอะไรมันตึงมันทึบมากเลยอย่างเงี้ยไอมีไ อ, ไ อ, ไอพอรู้ต่าทานขึ้นมาไอตัวนั้นน่คือตัวสติไอตัวที่ถล้ำไม่ต้องตัวไปปฏิบัติโดยไม่มีสติอันนั้นคือไม่มีสติแล้ว เ, เวลาดูไปเรื่อยๆมันจิตมันจะรู้สึกวางหรือบางทีมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่นี้ไอตรงว่างๆตรงนั้นนี่เราต้องต้องดูยังไงต่อคะก็ดูว่าในความว่างมีตัวละาพูดอีก ในความว่างก็มีตัวเราพูดดิว่างเวิร์ว่างเหมือนเลยมีตัวเราพูดอยู่นะในความว่างมีตัวเราพูดไม่หยุดหรอกไอ้ตัวทีแปดมงกุรไม่เคยดับจนกว่าจะตายว่างยังไงตัวทีแปดมงกุรไม่เคยดับจนกว่าจะตายไอ้จิตที่มันพูดได้มันบ่นได้มันตึกต่องได้ที่ปดมงกุรเนี่ยละไม่ได้ในการที่ตติตรูที่จะรู้ที่แปดมงกุรเนี่ยว่ามันก็รู้อยู่ว่าว่างแต่ตัวที่แปดมงกุรเนี่ยต้องรู้ต้องทันมันตลอดละมันไม่ไม่ได้เพราะว่ามันก็มาต้มเราหมดตัวต่อให้ว่า คือบางทีมันก <h az os> ็มีเส mm ียงพูดแต่บางทีมันก็ไม่มีเสียงพูดมันก็จะว่างๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะว่างแต่ในว่างๆกับตัวเราเนี่ยพูดอยู่บนอยู่คิดอยู่ไม่ต้องมีเสียงพูดแต่มันตึกต้องอยู่เอ้ยาวนี้มันว่างมากเลยว่างแบบนี้มันใช่เปล่าเนี่ยี่หรือเราลงมันไปยังไงไปไม่ถูกมันพูดอยู่ในไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยคือแปดมงกรไอ้ตัวที่พูดตึกต้องอยู่นั่นนี่ยแต่ความว่างไม่ได้ที่แปดมงกรความว่างก็เป็นธรรมชาติของมันแต่ตัวที่มันตึกตองอยู่นั่นเรนลง เราลงตามมันมาต้มเราหมดตัวเลยเจมันว่างแบบความว่างนี้ดีเราอย่างนั้นจับความว่างไว้แล้วอยู่กับความว่างนี่แน่อ้าวโดนต้มเลยตอนนี้ถ้าเราเชื่อมันเราจะเชื่อมันตลอดอ่ะก็ปล่อยวางมันไปตลอดเพราะมันเป็นสิแปดมงกุฎต้องรู้ต้องทันมันตลอดเวลาอย่าไปหลงไว้กับมันเอ๊ะล้วระบางขนาดถ้ามันว่างแล้วมันก็ว่างแล้วมันก็ไม่พูดแล้วมันก็เฉยเฉยบอกมีไม่มีแปลว่ามันแอบแอไม่แอบหรอกเราว่าไอ้คนที่ไปรู้ความว่างรู้ความเฉยแล้วใครรู้ว่าไอ้ตัวนั้นทำพูด มันมีตัวที่ไปรู้ความว่างตัวเราอสิตัวใครเป็คนรู้ความว่างเราพูดก็ไม่รู้กับเราหรอกซึ่งพอพูดได้มันว่างมากเลยเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยใครเป็นผู้น้อพูดได้แหะแต like so anyway. hand, name, ่ตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้ไอ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นคนพูดเป็นคนตึกตองไม่เชื่อดูดิสังเกตดูดิแล้วต <Because> ้องเข้าไปดูไอ้ตัวไม่ต้องเข้าดูลายตัวนั้นไปเรื่อยๆลายตัวพูดได้ถ้ามีตัวดูเดี๋ยวไอ้ตัวดูตัวใหม่มันมาพูดถ้าเรามีถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะมีตัวไอ้ตัวดูตัวใหม่มันมาพูด ไลยตัวเราอะที่มันพูดได้อะที่มันไปนรู้อะไรแล้วมันพูดได้หมดได้ให้ไล่ตัวนั้นไปเรื่อยๆไล่นี้หมายถึงพอรู้ตัวมีสติมตรงนี้มันดับพอมันพูดอีกมีสติ ม, <อ>มันมันจะพูดก็จังมาเถอแต่เราแต่ใจเราก็เป็นความว่างอันนั้นนอะใจก็เป็นความว่างที่เราบอกมันว่างไปหมดแต่ใจก็เป็นความว่างและในความว่าง ก็ไม่มีใครไปไปลองรับไปยึดไอ้ตัวที่มันพูดไอ้ตัวเราที่พูดได้ที่ติดต่อวิเคราะห์วิจารณ์ได้เพราไอ้ตัวนั้นเป็นตัวสังขารมงกแตกเป็นตัวขันอ้าทุกคนจะดับไปแต่ใจก็เป็นความว่างมันมันก็จะเหมือนเราดูหนังใช่ไหมฮไอ้ตัวนี้มันพากอยู่อย่างนี้แล้วตรงนี้มันก็อยู่ที่มันเป็นความว่างอย <S <S งองงู่ตรงนี้สําคัญมากพูดละเอียดสิจะชัดที่ตรงเนี้ยมันจะรู้ว่าผิดถูกตรงนี้เนะนี่ยสําคัญมากนะมันมันจะเหมือนเราเราดูหนังเราดูหนังที่ข้างหน้ามันพากอยู่เนี่ยเราดูยังไงข้างนัางนมีจิตที่มัน รู้ว่าไอ้นี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีที่มันมันว่างๆอยู่ข้างในใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเนี่ยคือใจอ่ะมันรู้ว่าตัวมันน่ยเป็นความว่างคือใจเนี่ยมันรู้ว่าตัวมันเองเป็นความว่างเหมือนดังจักรวาลไม่มีตัวใจไม่มีรูปร่างของใจไม่มีไม่มีความรู้สึกอะไรมันก็คือเหมือนจักรวาลไปเลยอ่แต่แล้ก็มัรู้ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวที่ตัวเราที่พูดได้นี่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวสกัดปลุกแต่ง แต่ใจไปความว่างมันก็นรู้ไอ้ตัวเราเน 5, ี่ยตัวเราที่มันพูดได้น right, ี่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นขันห้าเป็นตัวสังการพวกแต่มก็จุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊จุ๊กจุ๊กทท่าทำท่าอะไรมันไปเรื่อยๆจะไม่เหมือนเป็นคำพูดเป็นคิดอะไรจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กจ๊จะดูจะรู้จเห็นจะพยายามจะอะไรก็บุญมันอยู่เนี่ยตึกทองอะไรมันบ่นอะไรมันมันตอนเนี่ยต้อแตื่นนอนตอนเช้ามามันก็ทํางานทั้งวันอ่ะล้วก็เห็นอยู่เงียบๆอย่างเงี้ย แ, แต่ไอ้ใจที่ไปรู้ไปเห็นน่ะมันก็เป็นความว่างมันร<ๆ> ไอ้ตัวเราที่พูดอยู่ในความว่างเนี่ยมันเป็นตัวสังขารพรุงแต่งมันเป็นสังขารไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปโซ่ไม่มีใครไปยึดไปจับมันมันก็พูดไปเท่ากัจะดับไปเท่ากับขันห้านี้จะดับไปไอ้ตัวพูดก็ดับไปเหลือแต่ความว่างไอ้ความว่างที่มีความรู้ที่มันรู้ว่าไม่ไม่ได้ไปยึดบ้านถึงบ้านอะไรแล้วแล้วตัวมันไปกองว่างแล้วตัวมันก็เอาไปยึดอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นความว่างมันไม่ยึดอะไรมันก็อยู่กับตัวของมันเองคืออยู่กับใจที่ว่างเปล่าเป็นรู้รู้ว่าตัวรู้ว่าตัวมันเองอะคือว่า เป็นเป็นจักรวาลที่ว่างเปล่าจะเข้าใจตรงกันไหมเดี๋ยวดูนีใช่ได้ใช่ได้แต่ต้องทิ้งตัวนี้เนี่ยตัวที่เข้าใจนะตัวที่มืมวันนี้เข้าใจนะเข้าใจเข้าใจมากนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจตัวนี้ก็ตัวสังขารนะแต่ตัวเข้าใจมากมายเพียงใดก็ตามต้องมายึดเอาตัวนี้เป็นตัวเราเป็นตัวเห็นเป็นตัวสังขาร เพราะใจเท่านั้นที่ว่างเปล่าที่มีกิยาการไม่ได้ไอ้ตัวที่รู้ตัวเข้าใจไม่ใช่ใจเป็นตัวสังขารที่เก็บความรู้ความเข้าใจมาช่วยตนเองจนเข้าถึงใจที่ว่างเปล่าเพราะฉะนนั้ไอ้ใจไอ้ตัวที่เข้าใจเข้าใจเข้าใจจะไปยึดมันเป็นตัวเราต้องวางไปอีกวางตัวที่อืเข้าใจวันนี้เข้าใจมากเลยออออืืเข้าใจเข้าใจจริงจริโอใช่ใช่ใช่มันเป็นตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยโอ้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวสังขารปรงแต่งนะ แต่เรากลับไปเอาตัวนี้จริงๆเป็นตัวเราจริงๆเลยทำไมในใจอย่างหาข้เข้าใจไม่หยุดอนะเราเอาไว้ตัวเขาอก้าวใจไม่ใช่ตัวเราแต่ทำไมก็เอาตัวเราไปหาข้เข้าใจไม่หยุดมันมันมีตัวหนึ่งที่มันเข้าไปรู้มันมันเข้าใจแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นสังขารใช่ไหมีมันทิ้งไปหมดเลยเนี่ยเราเราไปตามความรู้อย่างนี้นะเราไปตามแยกแยะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นตัวเราเป็นตัวหลงโอ้ใช่เลยอย่างเงี้ยอย่างงี้มันมีตัวรู้ โอ้นที่ตัวเขาเข้าใจมันจะจิตว่างเราไปมีตัวแยกแยะอย่างนี้ตลอดแล้วไอ้ตัวนี้คือตัวสังขารประแต่งพอเราถึงตัวใจมันมันไม่ไม่ตามอย่างนี้เรานี่เราจะมีตัวตามไอ้นี่คือไอ้นี่ไอ้นี่คือไอ้นี่ไอ้นี่คือว่างไอ้นี่ตัวนี้ไอ้นี่ตัวนี้อือเออไอ้นี่ไอ้นี่นี่โอ้ยทะเลนี้ก็ไม่เลิกสิเล่นไม่เลิกเพรไอ้ตัวพอถึงตัวใจแล้วมันมันมันอย่างนี้ไม่ได้มันแยกแยะอย่างนี้ไม่ได้ ตัวใจไว้ตัวแยกแยะอย่างนี้เป็นตัวสังขาดตงแต่งอย่างนี้มันเหมือนมันเหมือนว่ามันอัตโนมัติมันมันทําของมันเองสมมติมันมันไปแยกแยะแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้อะไรแต่อมีตัวตั้งอยู่ก็ตั้งขาดตงแต่งตัวแยกแยะก็ตั้งขาดตงแต่งอ่าฮอย่างนี้ทํายังไงไม่ให้มันไปแยกแยะเพราะว่าอไปทํายังไงไม่ให้แยกแยะก็ปุ่งแต่งตายสิ อย่างนี้แค่รู้ว่ามันกําลังแยกแยะมันกําลังวิจัยสภาวะอยู่มันก็จะหยุดเใช่ไหมสคะเดี๋ยวหยุดตัวเราที่จะไปยุ่งกับมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไม่หมายว่าเออถ้าเราไม่มีตัวนี้แล้วไอ้ตัวแยกแยะมันจะหยุดกําลังเข้าใจผิดแล้วเข้าไปยึดถือยึดถือว่าถ้าถ้าไม่มีเราไปอย่างนี้ไม่มีเราไปอย่างนั้น เดตัวแยกแยะมันจะหยุดอันนี้โยมกาลังยึดถือแหละมันจะเป็นยังไงอย่าไปยุ่งกับมันเลเพราะว่าเราเนี่ยยุ่งกับใครไม่ได้มันเป็นใจที่ไม่ไม่มีปกติยาเราไปยุ่งกับใครไม่ได้นะไ อ, อ, อตัวที่มันพวงแต่งไอ้กระจังมันไม่ได้เกี่ยวกับเราอะแต่โยมจะไปแยกแยะแล้วพยายามจะทําให้อะไรหยุดทําให้อะไรไม่เดินทําอะไรตรงนี้ให้ให้มันว่างไอตัวนี้ตัวรุงไปไอตัวนี้ตัวว่างเพราะมันไปแยกแบบนี้ก็เครื่องจักรทางานไม่หยุดต่ทีเธยังยังเหนื่อยตายอ่ะ เข้าใจไหมอะเพรว่ามันมันแยกแยะของมันก็ปล่อยมันไปสร้างมันเราเป็นดูเฉยๆไม่ดูด้วยอะไม่ดูด้วยสร้างมันสร้างมันพระสงฆ์ก็เลยไปใจที่ว่างเปล่าอ่พอจังมันปุ๊บก็เลยใจไม่มีหน้าที่อะไรเพราะใจไม่มีหน้าที่ปุ๊บมันยังมีหน้าที่อยู่ยังทุกข์อยู่ไม่มีหน้าที่แล้วเป็นความว่างที่ไม่มีหน้าที่เจ้าค่ะ เพราะพ่อเคยสังเกตเวลาที่มันไม่แยกแยะมันก็จะมีตัวที่มันนิ่งๆมันว่างๆอยู่อะมันก็ไม่ได้ทําอะไรตัวนั้นถูกไหมเจ้าค่ะตัวนั้นหาถูกหาผิดจะแดงว่ายังแยกแยะอยู่เห็นในตัวผู้หาถูกหาผิดเป็นตัวสังขารดินี่เราไปหาถูกหาผิดจริงๆนะเนี่ยในจิตอะ เห็นในตัวผู auge, ้หาถูกหาผิดมันเป็นสังขารเป็นสังขารปรงแต่งเป็นตัวปรงแต่งมันจะปรงแต่งกันปรงแต่งไปไม่เกี่ยวกับเราแต่เอาเอาตัวเราไปแยกแยะจริงๆนะไปหาถูกหาผิดจริงๆปล่อยให้ตัวนั้นนี่ยมันตึตองตกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกมันแยกแยะมันจะวิเคราะห์วิจารวิจารตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกช่างมาเนอะมันเป็นสังหารปรุงแต่งไม่เกี่ยวกับเราเห <พ uka>ม่ได้เกี่ยวกันเลยแล้วเราไม่ไปดูมันด้วยแต่มันก็ตึ๊กตัตึกตักในใจที่ว่างเปล่าเนี่ยใจไม่มีหน้าที่ไปดูไปรู้มันแต่ยังมีหน้าที่ไปดูไปรู้มันอ่ะมัยังหมดไม่หมดหน้าที่ทุกตายเหมือนคุณนึงทํามียังมีหน้าที่อะไรหุ้บอกว่าว่างแล้วสบายแล้วแต่ยังไปยืนคุมงานเก่งเยงเยงยงการแก้กางๆๆดแดดอย่างนั้นเราก็บอกว่าไม่ทุกมันจะเป็นไปได้ไงยังเป็นมีหน้าที่ไปดูไปรู้มันไปคอยตรวจสอบมันอยู่อย่างนั้นเน่ะเริ่มจะหายทุกอย่างไงแล้วเนี่ย องเห็นที่พูดดีพยายามไปดูไปรู้เนี่ยเป็นสังการปรุงแตง่งมันจะปรุงยังไงกระจ่างมันไม่เกี่ยวกับเราเพราะใจเราสบายไปแล้วว่างเปล่าไปแล้วเดีจะไปห้ามมันจะไปบังคับมันไม่ให้ไปดูไปรู้ไปเห็นไปวิเคราะห์วิจารณวิจัยนั่นแต่ให้เห็นว่ามันเป็นสังการตัวนั้นเป็นสังการปรุงแตง่ง แต่ใจเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งไม่อาจแสดงกิริยาการใดๆได้เป็นอสังขตธาตุคือเป็นธาตุที่ไม่อาจปรุงแต่งได้และเป็นธาตุที่ไม่มีใครปรุงแต่งเขาได้และไม่มีอาวุธใดๆในโลกไม่มีอะไรไปทําลายเขาได้เขาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรสักอย่างเดียวไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่หมายแม้แต่นิพพานก็ฆ่าเขาไม่ตาย ครับเขาเป็นธาตุรู้เป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่มีความรู้ว่าสิญญ้นยึดถือสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นตัวตนของตัวเองไม่มีแต่ทุกอย่างที่มีล้นเกิดขึ้นแล้ดับไปไม่เที่ยงแต่ตัวเองไม่มีอะไรเลยมีความรู้อันเนี้ที่รู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่มีอยู่ล้นมีขึ้นแล้วก็ดับไปเพื่อดับไปหายไปทั้งหมดไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยความรู้อันเนี้ยเป็นอมตะ พอตายแล้วสิ่งใดที่เกิดดับได้ที่เปลี่ยนแปลงได้ร่างกายความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แม้แต่ผู้รู้ที่ปรุงแต่งรู้อะไรแล้วก็จิกจกจิกจกจิกจิวนี้ดับหมดไม่เหลือหลรอกแต่ความรู้ว่าที่ตัวเองอ่ะไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่ทุกสรรพสิ่งลดเกิดดับหมดแต่ตัวเองอ่ะเป็นความไม่เกิดไม่ดับความรู้อันเนี้ยไม่แตกไม่ทําลายไม่มีใครทําลายอะไรได้แล้วนิพพานก็ทําลายเขาไม่ได้พอตายแล้ว อย่างอื่นดับหมดแล้วแต่เนี่ยคือจะว่าเหลือก็ไม่ได้คือมันมันกมันมันจะบอกว่าหายสับสูนก็ไม่มีแต่เนี่ยมันมีอยู่แต่ก็ไม่มีตัวตนไม่ได้ไม่ได้มีแบบมีจะพูดยังไงคือไม่ได้มีแบบมีคือไม่มีอะไรแต่มันรู้อยู่รู้อยู่ว่าไริได้ยึดอะไรสิ้นยึดแล้วตัวมันเป็นความไม่ยึดอะไรเป็นอมตะเป็นสุญญตาธาตุเป็นอสังขตธาตุคือมันเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีใครปรุงแต่งมันได้แล้วตัวมันก็ไม่ได้คิดมึนติดตามปรุงแต่งอะไรได้ มันเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งเป็นอมตะธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นมหาสุญญตาจักรวาลเดิมก็เรียกถ้าเราเข้าใจตรงนี้ไอ้ตัวไหนที่มันจุกจักจุกจั๊ได้มันพยายามแยกมันพยายามทาความรู้เข้าใจให้เห็นว่ามันปล่อยมันเนอะมันจะแยกมันยิ่งกระจายมันยิ่งรู้ยิ่งชัดอะไรก็ปล่อยมันก็แต่มันเป็นสังขารมันยิ่งรู้มากยิ่งดีมันยิ่งเก่งยิ่งฉลาดยิ่งดีแต่เห็นว่ามันเป็สังขาร เปนเหมือนอย่างนี backs, ้ไงไอ้ต evet. ัวความรู้ที่เก็บไว้จะรู้แจ้งหมดเลยรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยแม้แต่ไอ้ตัวผู้รู้แจ้งเนี่ยรู้จัดเนี่ยตัวเนี้ยก็ต้องไม่มีใครไปยึดมันนะไอ้ตัวผู้รู้แจ้งรู้จัดเนี่ยมันเหมือนกับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวเทปที่เก็บข้อมูลมันยิ่งมีความเรียนรู้ยิ่งฉลาดยิ่งทำความเข้าใจมากยิ่งศึกษาสังเกตเรียนรู้ยิ่งละยิ่งปล่อยยิ่งวางเรียนรู้มากมันยิ่งในเทปเนี่ยข้อมูลมันมากกว่าใครเลยเต็มมากแต่มันเป็นเทปเหมือนในอะไรนะเป็นเทปที่มันลละายตััวมนเองได้ เหมือนหนังเจมบอลน้องใครดูหนังเจมบอลว่าเขายืมเข้ามาโฆษณาหน่อยคือเขาบอกว่าอะไรนะว่าคุณฟังเทปอันนี้แล้วเจมบอลเมื่าคุณได้รับคําสั่งอันนี้ทํานุ่นทํานี่แล้วเทปนี้จะละลายตัวภายในสองวินาทีปุ๊บละลายไหม้ไปหมดเลยข้อมูลไม่มีใครเอา ไ, ไปได้พอตายแล้วยมมาทูตตามหาไม่เจอแต่ถ้าเราเทปเราเนี่ยเป็นเทปที่ไม่ไม้ไม่ละลายตัวมันคาความรู้ไว้อยู่แล้วเนวี่ยคาความรู้ไว้ พอตายแล้วโยมมาทูตหรือพวกที่เชื่อมนุษยมาคว้าเทปอันนี้ไปขี้ออกดูไปขี้ออกดูว่าทำกรรมดีกรรมชั่วมาเท่าไหร่มันอยู่ในเทปบันทึกไว้หมดเลยแต่พระเจ้าบ้านทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราแอบดูท่านอืเทปท่านละลายตัวได้เทปพวกเราละลายตัวไม่ได้ตัวไอตัวผู้รู้ผู้เห็นผู้ก่อใจเมันไม่ละลายตัวมันยึดไอตัวเนี้ยเป็นตัวเรารู้มากรู้มากรู้มากนั้นพวกที่มีทิฐิมานะมากอะรู้มากตายตายถูกก็ไปหมดแล้ลากไปหมด ว่ามันเอาตัวเราเป็นผู้รู้มากเป็นผู้รู้มากกว่าใครแม้แต่ตัวเราไม่ต้องรู้คิดว่าตัวเรารู้มากใครเนี่ยเรารู้เราเห็นเรารู้แจ้งเรารู้แจ้งเรารู้แจ้งยังไม่อย่างแย่งโดยจะขล่ากันไม่ได้แล้วถ้าเรามีเรารู้แจ้งเราพูดรู้แจ้งเราไม่เห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยคือเทปที่มันต้องละลายตัวได้มันเป็นสังขารผู้แต่งไอ้ผู้รู้เนี่ยไม่ได้เก็บไม่ได้เป็นตัวเราเป็นผู้รู้แต่ไอความรู้นั้นเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ว่าไม่มีใครมายึดไอ้ผู้รู้แจ้งนี้ ปอให้รู้แจ้งไปแต่ไม่มีใครมาเซวยมาหลองรับไปพูดรู้แจ้งนี้มันก็เลยใส่ไอ้เทพอันนี้ยเป็นประโยชน์แค่นั้นเองเหมือนกับเจมบอลเอาใส่เทพเนี้เป็นประโยชน์แต่ไม่มายึดเทพนี้เทปมันเลยละลายตัวไปหลวงตาแล้วบางทีที่เราบางทีเรารู้สึกว่าาตอนนี้จิตมันมีความยึดมั่นถือมั่นหรือตอนนี้มันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นสังขารหรือเลปล่าคะ ถ้าพยายามโยมจะถามจะเอาคำตอบเงี้ยไอ้ตัวที่ถามจะเอาคาตอบแลวตัวยึดมั่นถือมั่นไอ้จิตจะยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่เกี่ยวไม่ปริศ า, ษ า, ษาคำังเลยอันนั้นสำคัญที่โยมจะถามจะเอาคาตอบตรงนี้ในตัวหน้าตัวยึดมั่นถือมั่นเข้าใจแล้วเจค่ะ